ช่วงที่เราผ่านมาหกจวันนี้ตามที่ประเมินดูแล้วก็โดยสายตาก็น่าจะเข้มข้นกว่าเ <c oughs> มื่อรุ่นที่แล้วเพราะว่ามีความตั้งใจและการทำความเข้าใจก็ตรงตรงเป้ามากขึ้นเพราะว่าการดึงเรื่องของตัวปัจจุบันธรรมที่ที่สัมผัสได้ เอเข้ามาใช้มากขึ้นเช่นการใช้อิเดียบ ท, ทั้งหยาบทั้งย่อยทั้งละเอียดเข้ามาประสานกับเวทนาทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดและเข้ามาประสานกับสติสมถิปัญญาก็โดยอาศัยที่ย่อมมีศรัทธาและมีความเพียรที่ต่อนื่องเข้มแข็ง ได้ในระหว่างกลาง <c oughs> ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาและอุปสรรคบางอย่างเล็กน้อยแต่ก็แก้ไขได้ทันนะฉะ <c oughs> นั้นเองการที่เราจะสามารถหาสถานที่ที่เหมาะสมที่จะจัดกิจกรรมที่วิเศษอย่างนี้มันยากมากนะเ <c oughs> พราะว่าการจัดงานอบรมเพื่อพัฒนาจิตใจนี่มันไม่ได้เหมือนการจัด งานประชุมสัมนาวิชาการอะไรแบบทั่วไปซึ่งะหานที่อย่างนั้นจะจัดที่ไหนก็ได้เหมือนกับการจัดที่การปลูกพืชเนี่ยมันจะต้องดูสถานที่ที่เหมาะสมเราเห็นว่าพวกเงาะพวกทุเรียนหรือพวกมังคุดปลูกทางตะวันออกได้เราจะมาปลูกทางอีสานหรือทางัางเหนือตรงไหนก็ได้ ก็ไม่ได้นะหรือพืชบางอย่างที่จะปลูกภาคหนึ่งจะไปปลูกภาคหนึ่งก็ไม่ได้มันมีความเหมาะสมอะไรบางอย่างเกี่ยวกับธาตุสีของเขาดินน้ำลมไฟกรรมฐานก็คล้ายๆอย่างนั้นนะถึงแม้ว่าเราสามารถจะจัดได้ทั่วไปก็จัดได้แต่ผลที่มันเกิดเนี่ยมัน อาจจะไม่เป็นตามที่เราต้องการอย่างต้นทุเรียนเนี่ยเข้ไปปลูกที่ไหนก็ได้ในประเทศไทยเนี่ยแต่ว่ามันจะติดลูกติดดอกหรือไม่นี่อีกเรื่องหนึ่งอ่าอ่านะหรือต้นไม้อะไรเนี่ยของอีกประเทศหนึ่งเรามาปลูกมันอาจจะติดแต่ว่ามันไม่ได้ผลตามที่ ท, ที่มันอยู่ในถิ่นของมันงานอบรมกรรมฐานหรือสํานักกรรมฐานเนาะอาจจะตั้งที่ไหนก็ได้แต่ว่ามันจะได้ผลตามที่อ่าพุทธประสงค์หรือไม่นั้นไม่แน่นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเองในเรื่องของงานอุรมบางทีมา ก, ก็มีปรับเปลี่ยนเลื่อนที่เลื่อน เ, อ เ, อเวลาอะไรต่างก็ไม่ใช่เพราะว่าเอาตามที่ต้องการแต่เงื่อนไขและความเหมาะสมนะเป็นเรื่องสำคัญเพราะเวลาชีวิตมีสั้นไม่ใช่ว่าเราอยากจะทำอะไรที่ไหนเมดเลยก็ทำเลยเดยไม่ใช่แต่เราจะมุ่งถึงว่าทำไปแล้วเนี่ยถ้าผลออกมาไม่ชัดเจนเนี่ยเราก็ไม่อยากเสียเวลา เพราะวา่าเราอยู่เฉยๆหรือทํากิจกรรมเฉพาะที่มันมีประโยชน์และได้ผลมากกว่า น, นั้นเราก็อยากจะทําในเวลาเดียวกันนะเพราะฉะนั้นเองก็ให้เข้าใจเรื่องเหตุปัจจัยและความพร้อมที่จะให้เกิดผลของการปฏิบัติเพราะการที่เรารวบรวมคนที่มีสถานและความเพียรถึง พร้อมที่มาอย่างนี้ได้ไม่ใช่ง่ายเมื่อลบรวมมาได้แล้วการที่จะให้ใช้ศรัทธาและความเพียรออกมาเป็นมากเป็นผลนันก็ก็ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมความเหมาะาะอย่างยิ่งความจริงแล้วเนี่ยในชีวิตประจำวันปัจจุบันเนี่ยมันมีเรื่องหลากหลายเรื่องอะไรที่จะพูดมากมายแต่เราก็ไม่ได้พูดถึงมากนักเพราะเราคนึงถึงว่าเวลาที่ผ่านไปแต่ละนาทีเนี่ยเราก็ไม่อยากจะให้ เรื่องอะไรที่มันไม่เหมาะแก่การรักษาจิตวิญญาณให้เป็นปัจจุบันเนี่ยเข้ามาแทรกทั้งๆได้มีมเรื่องมากมายมหาศาลที่เกิดขึ้นในโลกนี้ที่จะต้องนำมาพูดมาคิดมานึกมาทำเนี่ยนั้นเองจุดที่เราก็จึงคัดเลือกสรรที่คนมีศรัทธาและความเพียรจริงๆมาทำเรื่องนี้เป้าหมายก็ให้เกิดสติสมาธิปัญญา เพาสติสมถียปัญญานี่จะไปเป็นแก่นสารของคนเป็นสาระของคนถ้าคนเราเกิดมามีแก่นสารสาระน้อยเนี่ยมันมีความทุกข์ทั้งตนเองและผู้อื่นถ้ามีแก่นสารสาระมากมันก็เป็นประโยชน์ทั้งตนเองและผู้อื่นเพราะฉะนั้นวิธีการใดก็ตามที่สามารถจะปลูกแก่นสารสาระให้แก่กันและกันได้แล้วก็พยายามทำนะ คุริย้าได้ตัดว่าดูกอนอนุนเราทั้งหลาย <c oughs> เราจะท้าคุจะทำว่าพวกเธอทั้งหลายเหมือนกับนายช่างหม้อทำกับหม้อคือจะต้องอทุบต้องตีดินให้ให้นุ่มให้ละเอียดแล้วก็จะต้องนวดดินให้เหมาะแก่การที่จะปั้นหม้อได้นะ ชันใดเราทั้งหลายก็เช่นกันทําก็ถืออาจจะมีการทุบ ก, การท้องการติการเตือนการด่ากันว่าบ้างว่าผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจะทนอยู่ได้ผู้ใดไม่มีมรรคผลเป็นแก่นสารผู้นั้นก็อยู่ไม่ได้นี่พระองค์ท่านตัดเอาไว้ดังนั้นการฝึกฝนทางด้านนามธรรมาจึงเป็นเรื่องยากต้องอาศัยอาในช่างผู้มีประสบการณ์มาทำ มันในช่างหม้อให้กล่าวเอาไว้ดังนั้นเองเมื่อเราม า, าร่วมกิจกรรมอย่างนี้แล้วมาก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีบุญกุศลมีบุญบารมีได้สร้างมาดีทุกคนส่วนจะสร้างไว้มากไว้น้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับผลที่เราได้รับภายในเนี่ยมากน้อยกว่ากันนะดังนั้นก็อยากจะให้แต่ละคนได้พัฒนาสติสมาธิปัญญาให้ให้ต่อเนื่องให้เข้มขน้น แต่ว่ามันก็มีขีดจํากัดในคนบางคนแม้จะพยายามแล้วก็ตามที่จะเจริญสติสมาธิปัญญาแต่ว่านึกไม่ได้รับการกระทบกระแทกในเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงก็หลุดลุยไปต่อหน้าต่อตาหน้าตาที่ยิ่งแย้นแจ่มใสก็เป็นหน้าตาที่บุบเบึ้ลติดอารมณ์วิตกกังวลหลุดไปเลยบางทีเราตั้งใจจะทําอะไรดีๆกับใครพอมันไม่เป็นไปตามที่เราตั้งใจครับอารมณ์ก็จะเปลี่ยนกลับ ขั้ว360องศาลเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือความยากของของมันทิงนั้นจึงอยากจะให้เราทั้งหลายได้ใช้วันเวลาที่นี่ให้ได้มากที่สุดก็คืออยู่ด้วยสติสมถทิพปัญญาถึงแม้ว่าการกระทบกระแทกหลังจากเราออกจากที่นี่ไปเนี่ยจะรับการกระทบกระแทกการสอบอารมณ์ทุกรูปแบบถึงแว้ว่ามันจะหลุด แต่ก็ให้คั้วกลับคืนให้ไวเราไม่สามารถจะห้ามการหลุดได้แต่วิธีกลับดึงกลับมาปัจจุบันให้ไวที่สุดอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วอีกส่วนหนึ่งคืออยากจ ะ, ะนำเสนอก็คือว่าเราฝึกปฏิบัติแบบนี้เราฝึกไปเพื่อที่จะไปอยู่กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันและในหมู่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราก็รู้ถึงความ หลากหลายของพฤติกรรมนะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยคือเราไม่สามารถจะเลือกได้ว่าเราจะอยู่ในกลุ่มคนที่มีธรรมเท่านั้นเราจะมีอยู่ในกลุ่มคนที่มีสติปรรัญญาเท่านั้นเราจะในกลุ่มคนที่มีเมตตาเท่านั้นเนี่ยเราเลือกไม่ได้เราก็เข้าไปในกลุ่มคนทุกกลุ่มในคนกลุ่มนั้นก็อาจจะมีความไม่เท่าเทียมกันด้านการศึกษาสติปรรัญญาคุณธรรมวิบากกรรมอะไรเนี่ยเราจะสู่เข้าไปอยู่ใน กลุ่มคนที่หลากหลายเหล่านั้นซึ่งแน่นอนอการที่เขามีวิบากกรรมมีสติปัญญามีกิเลสหนาปัญญายาบไม่เท่ากันก็จะมีผลกระทบต่อเราทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่ได้ฝึกฝนมาดีเนี่ยการมุมมองต่อบคุคคลเหล่านี้ของเราก็จ ะ, ะแตกต่างไปถ้าคนไหนที่ฝึกฝนมาดีมีสติปัญญาดีมีเมตตาดี ความแตกต่างเหล่านั้นก็จะลองรวมเป็นอันเดียวกันที่เราไม่ทําให้จิตใจของเราเปลี่ยนแปลงและแตกต่างแต่ถ้าหากว่าเรามีทัศนคติหรือมีอทิฐิส่วนตัวว่าฉันจะต้องเข้ากับคนนี้ได้เท่านั้นคนแบบนั้นฉันไม่ชอบคนแบบนี้ฉันชอบคนแบบนั้นฉันถูกชะตาคนเหนี้ไม่ถูกชะตาเนี่ยเราไปที่ไหนที่เราจะมีแต่ความห ง, งุดหงิดเท่านั้นเพราะเราจะไปพบกับความแตกต่างหลากหลายของบุคคลเหล่านี้ ฉะนั้นเรามาปฏิบัติธรรมกรรมฐานเนี่ยเราจะเป็นต้องเปิดทัศนสตินี่ให้กว้างที่สุดเท่าที่จะกว้างได้เราจะมาเป็นคนทํางานที่ทั่วไปเพราะฉะนั้นรู้และเข้าใจถึงสิ่งเหล่านี้เรื่องการทําใจเป็นสิ่งที่ทํายากแต่ว่าต้องทําบ่อยๆบางคนเนี่ยอาจจะทําอะไรไม่ถูกตาถูกใจของเราซ้ำๆซัซซกๆหลายๆครั้ง ถ้าหากว่เรายัางติดอยู่ในทัศนติเดิมนะ่ยมันก็จะจุดเล็กๆ เ, เนี่ยมันจะกลายเป็นจุดดําบดบังความดีทั้งหมดของจิตใจของเราได้อันนี้ต้องพึงระวังอย่างยิ่งนะในคนเคยกลุ่มๆหนึ่งอะ่ะมันก็จะต้องมีอ่าซักคนหนึ่งที่ไม่ถูกชะตาไม่ถูกราศีอะไรกับเราเนี่ยจะทําอะไรที่ไม่เข้าขงข้อตาเนี่ยแต่ถ้าทําเจอุคล น, นั้นบ่อยๆมันเหมือนกับไปตอกย้ําจุด ด, ดําอันนั้นให้มากขึ้น บางที่ในจิตใจของเรามีจุดดีๆเยอะแต่พอจุดดำนี้ตกเข้าไปแล้วมันดูเหมือนว่าบทบังดวงจิต ท, ทั้งดวงเลยซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะถ้าเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนทศนติตรงนี้ได้แล้วก็มีผลต่อชีวิตของเราทั้งชีวิตเลยทีเดียวนะเพราะนั้นก็หวังว่าการเจริญสติสมาธิปัญญาแบบนี้มันจะเป็นส่วนขจัด ไฟฟ้าหรือริวรอยที่มันบดบังดวงใจของเราดวงนั้นน่ะให้ไดใ้ให้ได้มากที่สุดถึงแม้มันจะตกลงมาบ่อยๆแล้วก็พยายามสลัดมันบ่อยๆหรื อ, อจุดไหนที่เรามองแล้วรู้สึกว่ามันจะเป็นอุปสรรคต่อจิตของเราเราก็พยายามอีกเลี่ยงถ้าเราไม่สามารถจะรับได้หลบไปอย่างนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะ น, นั้นใน ถ้าน่าจมาทํางานอันนี้ต้องเผชิญอะไรหลายอย่างทั้งที่ส่วนที่เป็นบวกและเป็นลบแต่ก็หลังจากที่ได้รักษาจิตใจรักษาพรหมจรรย์ให้คงที่ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยแทนที่ส่วนที่เป็นนิ่งทีหรือส่วนที่เป็นอคติเรานี่ยจะเป็นอุปสรรคต่อการทํางานแต่มันก็จะกลายมาเป็นหัวเชือ้อกลายมาเป็นพลังให้เราได้ทํางาน คนจริงทุกนเนี่ยมันเป็นพลังงานนะมันเป็นพลังงานเหมือนไฟเหมือนยาพิษอะไรทั่วไปเนี่ยมันเป็นพลังงานแต่ถ้าหากว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขพลังงานที่มันเป็นส่วนลบหรือส่วนน égative ได้ให้เป็นโพซิทีฟได้มันก็จะเป็นพลังงานในฝ่ายบวกแทนที่จะเป็นพลังงานในฝ่ายทําลายหรือฝ่ายลบซึ่งได้กล่าว บ, บ่อยๆอย่างกระแสไฟเนี่ยถ้าหากว่าเรา จัดการมันไม่ถูกเนะีมันจะทําให้เร า, าร้อนหรือเผาไหม้เราหรือช็อตเราตายแต่พอเราจัดการมันถูกมันก็จะทําให้เป็นแสงสว่างและเป็นไฟเพื่อขับเคลื่อนยานพาหนะของเราไปได้ความเร็วสูงและทําให้การ <c oughs> ดํารินชีวิตในครอบครัวการหุงข้าวตุมแกงอะไรต่างๆเป็นไม่ได้ความสะอาดะเรียบร้อยได้ในพลังงานอนั้นต์ังนั้นเองในจิตใจของเราก็เหมือนกัน นะมันก็มีความทุกข์เป็นเป็นหลักเป็นพลังงานหลักเลยไม่ว่าความทุกข์ทางกายและความทุกข์ทางจิตเพราะฉะนั้นการเจริญสติภาวนาหรือการสมาธิภาวนาเนี่ยทำให้เราสามารถปรับไอเครื่องมือที่จะไปปรับเปลี่ยน ทำที่เป็นอกุศลทั้งหลายที่เป็นฝ่ายพลังงานฝ่ายลบให้เป็นกุศลให้กลับมาเป็นพลังงาน <c oughs> ฝ่ายบวกเช่นเราเปลี่ยนทุกเวทนาเอาสติสมาธิเข้าไปเปลี่ยนทุกเวทนาให้เป็นปัญญาเนี่ยที่เราพยายามเน้นกันทุกวันเนี่ยว่าเราไม่สามารถปฏิเสธทุกเวทนาที่เกิดกับกายของเราได้แต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนทุกเวทนาให้เป็นสติสมัมปัญญาได้ ก็ด้วยการเจริญตัวรู้ให้มากๆา อ, อย่างสมมติว่าเราไปตามป่าตามเขาเรามียุงลิ้นเหลียบลุงยิ้ลลายมาเกาะเนี่ยในยุงมาเกาะตัวหนึ่งเราสามารถจะเปลี่ยนให้เป็นเกล็ดตันหาวัานนี้เปลี่ยนให้ไปเป็นสติสมาธิปัญญาได้ในขณะนั้นแต่ขึ้นอยู่กับสติของเราว่าจะทันไหมนะบางครั้งมันก็ทันบางครั้งก็ไม่ทันแต่ในจำนวนที่มันทันและไม่ทันเนี่ยถ้ามันพอๆก็ดี แต่ส่วนใหญ่ถ้ามันนิเ t i ีฟหรือในส่วนที่เป็นอคุสุนมากกว่าเราก็เสียเปรียบนะเพราะฉะนั้นนะเราให้สังเกตสังกาในสิ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวเราให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะฮะทมาเองเมื่อก่อนเป็นคนจั บ, จ, บจุดสะเท้าประมาประมา ณ, มาณแล้วก็เอาร้อนรีเรล่งซึ่งเป็น เป็นเหมือนหนึ่งว่าเป็นสิ่งที่เราได้รับบรดกต ก, ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของเราและบรรพบุรุษของเราก็อาจจะเป็นคนกิเลสนาปัญญาหยากเคยตกนรกเคยตกอบายภูมิมาแต่เมื่อตกทอดมาถึงเราเนี่ยเราจะเปลี่ยนไอ้คุณสมบัติเหล่านี้ให้มันปื้นบุกได้อย่างไรเนี่ยอันนี้คือเป็นสิ่งที่ท้าทายมากถ้าเราไม่ได้เข้ามาสู่คําสอนของพระพุทธเจ้าเราไม่มีเครื่องมือเหล่านี้ วัตถุดิบต่างๆที่บรรพบุรุษเราสั่งสมมาในส่วนที่เป็นอกุศลเนี่ยมันก็จะมาเป็นนรกของเราต่อไปเป็นอายภูมิของเราต่อไปเป็นพบเป็นชาติไปเพราะเราเป็นเป็นทายาทเป็นมรดุกทอดของบรรพบรุษของเราเราทุกคนเนี่ยมีบรรพบรุษเป็นทายาทเพราะนั้นบรรพบรุษของเราที่เขาสร้างเบญสร้างกรรมสร้างบุญสร้างกุศลอะไรมาเราไม่มีโอกาสได้รู้ทุกคนเลยเหมือนรากไม้ทุกรากเนี่ยที่มันอยู่ข้างใต้เนี่ย ร้อยรากพันรากแต่มันปรากฏบนดินเพียงต้นเดียวเท่านั้นแต่ในตัวต้นเดียวนี่แหละมันอยู่ได้ด้วยรากเหล่านั้นถ้ารากไม้เหล่านั้นมันรากใดรากหนึ่งมันเกิดเสียมันเกิดเน่ามันเกิดมแมลงกินเนี่ยมันก็ทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของต้นไม้บางส่วนสูญเสียไปถ้าในหนึ่งร้อยรากเนี่ยมันเน่าเสียไปสักห้าสิบรากอีกห้าสิบรากเนี่ยมันก็ จะรักษาต้นไม้นั้นได้อยู่แต่ความสมบูรณ์ของต้นไม้มันก็เพงห้าิบเปเพราะรากมันถูกทำลายชันได้ก็ดีสมมติว่าเรามีบรรพบุรุษของเราหนึ่งหนึคนที่ผ่านมาเนี่ยในบรรพบุรุษของเรา100คนเนี่ยห้คนเนี่ยเป็นคนที่ อ, อยู่ในฝ่ายมิจฉาทิฐิทำกรรมชั่วทำบาปมามากแต่อีก50าสิบคนในฝ่ายสมาธิทิฐิเนี่ยทำบุญทำผูศลมาตลอดชีวิตของเราก็จะถูกหานไปได้วยครึ่งหนึ่งของตามสายพันธุ์บรรพบุรุษของเรา เพราะนั้นเามามองชีวิตอย่างนั้นนะก็ทําให้ามาเพียรในการที่จะเปลี่ยนความเป็นอกุศลหรืออกุศลขันธ์บ่อนพวกขเรามาแสดงอยู่ที่กายวาจาใจของเราดีเองเพราะฉะนั้นการที่เราเปลี่ยนในส่วนที่เป็น negative, นกรทีบหรือส่วนอกุศลทั้งหลายที่แสดงออกมาทางกายวาจาใจของเราเนี่ยให้เป็นโพสิทีฟได้อันนั้นเราเปลี่ยนรากบันพบรูดของเราที่เสียเนี่ยซ่อมแซมในรากที่เสีย โดยการใส่ ย, ยาด้วยการเยียวยารักษารากเท่านั้นให้หายจากโรคต้นไม้ก็ค่อยงดงามขึ้นมาตามรากที่มันมันดีขึ้นเยียวยาขึ้นกันามลำดักนั่นมันหมายถึงชีวิตของเราชีวิตของเราก็จะดีขึ้นตามลําดับนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือหลักของพระพุทธศาสนาเราทําให้เรามีโอกาสในการแก้ไขตัวเอง พเพื่อที่มาถึงได้กล่าวไปเมื่อวานขอให้ทุกคนไปพิจารณาถึงจุดอ่อนของตัวเองให้ชัดเจนว่าเรามีจุดอ่อนอะไรบ้างเหมือนถึงจะบอกว่าคุณไปสํารวจดูว่าสายพันธุ์บรรพบุรุษของคุณนะมันมีกี่คนที่ที่เสียหายแล้วมัออกมาเป็นนิสัยของเราและนิสัยในส่วนเป็นนิสกติมนันนี้คือสายพันธุ์บรรพุลของเรานั่นเองเพราะนันการทําบุญให้บรรพบุรุษอย่างที่เรานิยมกันทุกวันนะไปเกิดเปโน่นไปนี่ไป น, นัปนนป่นก็คือเกิดมาเป็นนิสัยของเรานี่นเอง การได้ทําบุญทําทานให้บรรพบุรุษก็คือทําบุญให้ตัวเองนั่นเองแต่ทําบุญให้ตัวเองมีสองลักษณะทําบุญด้วยวัตถุและทําบุญด้วยธรรมเรียกว่าอามิสบูชาและปฏิบัติบูชาถ้าอามิสบูชาเราทําง่ายแต่ว่าปฏิบัติบูชาทํำยากแต่อามิสบูชานั้นเป็นส่วนที่โน้มนําให้จิตเราไปสู่ปฏิบัติบูชาเท่านั้นอามิสบูชาใดๆที่ไม่มีส่วนโน้มนําไปสู่ ปฏิบัติบูชาอามิสบูชาอันนั้นก็มีประโยชน์น้อยหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าเราจะไปทําบุญทําทานกับใครกับพระหรูใดก็ตามถ้าหากการทําบุญทําทานนั้นเป็นส่วนที่ทําให้เราเกิดสติสมรติปัญญาโนม้มนำเราไปสู่การปฏิบัติสมถะและวิปัสสนาการทําบุญแบบนั้นมีผลสูงเพราะมันจะทําให้เรามีโอกาสได้ศึกษาและได้ปฏิบัติ แต่การทำบุญไปแล้วอย่างไรเรามีบุญมีกุศลสบายจิตสบายใจแ ล, แล้วไม่คิดที่จะไปทำเรื่องภาวนาเลยก็ยังมีผลน้อยอยู่เพราะอะไรเพราะความสบายใจหรือความอินใจเหล่านะั้นมันต้องหายไปตามการเวลาเราก็ต้องไปทำอีกอยู่ล่ำไปไม่เคยจบแต่ถ้าเราทำบุญด้วยการอามิสบูชาล้วอาจจะให้ทานหรือทาอะไรก็ตามแ ล, แล้วมีโอกาสได้พบพระที่ ฝึกฝนเราได้สั่งสอนเราได้อบรมเราได้เร า, เราให้เราเปลี่ยนทิสยัยทําให้เปลี่ยนจิตใจจากที่มันเคยเสียหายมาเป็นจิตใจที่ดีขึ้นนั่นเป็นการทําบุญที่สูงเพราะนําไปสู่อามิฏปฏิบัติบูบชานะดันั้นเองญาโยมทั้งหลายถ้าเรามองชีวิตในแง่มุมอย่างนี้แล้วเราจิตใจของเราจะเต็มไปด้วยการให้อภัยเต็มไปด้วยเมตตาเพราะอะไรเพราะแต่ละคนนั้นไม่สามารถจะไปแก้ไขอดีตได้ เรามีแต่จะช่วยกันส่งเสริมให้เปลี่ยนพฤติกรรมของเราที่เราดับมาจากทายาทของบรรพุรุษของเราเท่านั้นย้อนหลังไปในอดีตของเราบรรพุรุษของร้อยคนพันคนเราไม่รู้ว่าคนไหนเป็นข้าตระกอดคนไหนเป็นมหาโจนคนไหนเป็นบัณฑิตคนไหนเป็นนักบวชคนไหนเป็นฤาษีคนไหนเป็นอริยะเราไม่สามารถที่จะรู้เลยแต่เราเลยจะรู้ได้นิสัยของเรานี่เองจิตใจของเรานี่เอง บางคนบรรพุลุ่มของเราบางคนอาจจะทําบาปทำกรรมมากฆ่าสัตว์ประจําก็ส่งผลให้เราสุขภาพไม่ดีบรรพุลุษบางคนเป็นคนขี้โกงเป็นคนเห็นแก่ตัวก็ออกมาเป็นนิสัยของเราเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนโลภจัดนั่นเองบรรพุรุ่ของเราอาจจะเป็นคนใจร้ายโมโหง่ายชอบทําร้ายคนก็ อ, ออกมาเป็นนิสัยใจร้ายโมโหง่ายของเรานี่เองเพราะฉะนั้นจะออกมาที่นี่หมดเลยเมื่อเราอ่านออกอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราก็จะ ผ่อนขวายในการแก้นิสัยของตัวเองถ้าการแก้นิสัยที่ไม่ดีที่เสียหายของเราได้แต่ละอย่างมันหมายถึงการปลดบรรพบุตรของเราให้ขึ้นจากอายภูมิขึ้นมาแต่ละคนเลยทีเดียวเอามามองอย่างนั้นมองในคําสอนพระพุทธเจ้าด้านนั้นเองเอามาจึงมีความเพียรพยายามอย่างยิ่งที่จะเปลี่ยนนิสัยของตัวเองมาตลอดซึ่งเมื่อก่อนมาไม่ใช่เป็นคนนิสัยแบบนี้นะแต่ด้วยการฝึกฝนปฏิบัติเราก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมาตลอด แต่อีกหลายส่วนก็ยังเปลี่ยนไม่ได้นั่นแสดงว่าบัณฑบาบุตของเราทํากรรมมาหนักมากมันจึงเปลี่ยนยากนิสัยบางอย่างให้มองอย่างนั้นแล้วรู้สึกมันสนุกในการเปลี่ยนตัวเองดังนั้นในหลักคําสอนของพุทเถียนนั้นวัดการเจริญเติบโตของภูมิธรรมด้วยการเปลี่ยนนิสัยฉันใช้คําว่าใจเปลี่ยนครั้งที่หนึ่งจิตเปลี่ยนครั้งที่หนึ่งจิตเปลี่ยนครั้งที่สองจิตเปลี่ยนครั้งที่สม ในภาษาหลวงพ่อเทียใช้คำนั้นหมายความว่าในจิตที่เปลี่ยนแต่ละครั้งมันหมายความว่ามันได้ลบล้างในสิ่งที่เป็นมลทินและอกุศล อ, ออกไปโดยสิ้นเชิงไม่ใช่เปลี่ยนวันนี้แล้วพรุ่งนี้ไปกลับไปเหมือนเดิมไม่ใช่เปลี่ยนแบบนั้นส่วนไหนที่มันเปลี่ยนได้นะั้นมันหมดไปเลยในความหมายหลวงพ่อเทียนความเห็นแก่ตัวของเราที่มันติดจิตจิตใจมาตลอดชอบเอาเปรียบคนอื่นชอบอ แ้อาเปรียบคนอื่นโดยนิสัยโดยตัวเองก็ไม่รู้ตัวว่าการคําพูดแบบนี้เป็นการเอาเปรียบคนอื่นการทําแบบนี้เป็นการแสวงประโยชน์ต่อคนอื่นการทําแบบนี้เป็นการเอาประโยชน์จากคนอื่นโดยที่คนอื่นเขาไม่เต็มใจบางทีเราไม่รู้ตัวเลยเพราะมันเป็นนิสัยที่ลึกมากจนกระทั่งกายเป็นความเคยชินแต่คนอื่นเขามองออกว่าคําพูดแบบนี้การกระทำแบบนี้และนิสัยแบบนี้คือการเอาเปรียบแต่เราไม่รู้นี่คือเป็นสิ่งที่แก้ไขได้ยากมาก นะดังนั้นเองเอามาจึงมองคนในลักษณะว่านั่นสืบพันธ์มาแต่สายพันธุ์บุรุษตามนิสัยแต่เราจะไปตำหนิเขาไม่ได้นะเพราะนั่นปลูกฝังมานานแต่ว่าคนอยู่ในโลกนี้ไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นสมาทิฐิเราจะมีการดังเกียดเดียดฉันมีการดูถูกเหยียดหยามมีการอาฆาตพยาบาทมีการจองเวรจองกรรมกันเพราะความจริงตรงนี้เองเพราะเราไม่รู้เท่าทัน ดังนั้นเองการพิรุธปฏิบัติการศึกษาวิปัสนาเป็นทางเดียวที่จะแก้นิสัยตรงนี้ของเราได้แต่ต้องเป็นทางที่ถูกต้องเหล่านั้นหลายคนหลายท่านหลายสำนักได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสำนักวิปัสนาและผู้ปฏิบัติปฏิวิปัสนาแต่ว่าน้อยคนมากที่จะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเปลี่ยนที่ใสของตัวเองได้อย่างชิ้นเชิงนะเพราะฉะนั้นเราวัดกันตรงนั้น สำนักที่ไหนเรียกว่าคนที่ว่าได้ชื่อปฏิบัติธรรมปฏิบัติวิปัสนานั่ยนะไม่ต้องไปดูว่าดังแล้วไม่ดังดีแล้วไม่ดีใช่หรือไม่ใช่ดูว่าตัวเจตินิสัยเขาเปลี่ยนหรือไม่ดูตรงนั้นต่างหากนะดังนั้นเองก็อยากจะฝากข้อคิดอันนี้ไปพิจารณามาเองนั้นเรื่องภารกิจแบบนี้มันน่าจะหยุดได้แล้วแต่เอามาไม่เคยท้อเพราะได้เห็นว่าการได้เปลี่ยนชีวิตจิตใจของตนเองมาเนี่ยมันมีคุณต่อโลกและสังคม มีอีกหลายคนที่มาเห็นว่าเขามีคุนสมบัติพร้อมมีสติปัญญามีความสามารถสูงแต่เราถ้าเราสามารถเปลี่ยนคนเหล่านั้นให้ให้ดีขึ้นได้เนี่ยเขาจะสามารถช่วยมนุษย์สิิโลกได้มากแค่ไหนนะเพราะฉะนั้นความพยายามเขาจะมาคืออยู่ตรงนั้นต้องการพบคนสักคนหนึ่งที่มีความพร้อมแล้วก็เปลี่ยนใจเขาได้เปลี่ยนนิสัยเขาได้เปลี่ยนสายพันธุ์บบุบรรพบุรุษเขาได้เนี่ยอันนั้นเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากแม้ว่าในปีหนึ่งได้สัก หนคนหรือ2คนก็พอใจเพราะนั้นเป็นงานที่ยิ่งใหญ่นะแล้ น, นั้นก็อยากจะให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยได้พยายามศึกษาไม่ใช่ว่าจะไปเอาดีเอาเด่นเอาไปอวดใครเพื่ออะไรเพื่อลาบสักการะเพื่อสังเสินไม่ใช่แต่เพื่อเปลี่ยนนิสัยที่ไม่ดีของตัวเองเป็นนิสัยที่ดีนะเป็นนิสัยที่น่าพอใจนะนั้นเองก็เรื่องนี้เป็นเรื่องยากและเรื่องใหญ่แต่ถ้าเราพยายาม ไม่มีอะไรยากเกินกว่าพยายามความพยายามของเรา น, ะนั้นเองในการอบรมในครั้งนี้เอามาก็รู้สึกพึงพอใจว่าเรามีการพัฒนาขึ้นการพัฒนานี่หมายถึงว่าเอามาได้เห็นวิธีการที่จะทำให้การเวลาในการพัฒนามันสั้นลงและผลของการ ศึกษาและปฏิบัติมันได้ผลที่เปลี่ยนแปลงได้เห็นชัดเจนแล้วก็สามารถสิ่งแวดล้อมได้สิ่งแวดล้อมที่เอื้อที่เอื้อต่อการทางานในชี่นี้นี่ถ้าเราไปจัดที่อื่นซึ่งก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะมาลงตรงนี้ได้อีกเนี่ยเอามาได้ปรึกษาคุณหมอตั้งหลายรอบได้เปลี่ยนตั้งหลายที่นะไม่ลงตัวสักที่นที่เพชรบุรีสองที่เราก็ปฏิเสธไปที่มวกเหล็กสระบุรีอีกที่หนึ่งเราก็ปฏิเสธไป ก็มลงที่เดิมตรงนี้พอมาพิจารณาถึงเงื่อนไขที่เอือ้อเอื้ออย่างไรถ้าเราไปจัดในสํานักที่ผู้นำในเจ้าวาดเขาไม่มาทางเราร้อยเปอร์ซนี่ยจะเป็นอย่างไรและในบุคคลที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้เป็นคนที่ไม่เห็นด้วยกับเราเนี่ยเราทําไปรู้สึกสนิทใจหรือไม่ก็ยากและสถานที่ตรงนั้นถ้าเกิดว่ามันมีสิ่งวแวดล้อมไม่เอือ้อมีเสียงมากมี การมีไก่มีห ม, มามีสุนัขเยอะๆเต็มวัดเนี่ยเราจะไปะจัดการของเขาได้หรือไม่ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ที่ของเราแต่ตรงนี้เราจัดการได้หมดเนี่ยนี่คือเงื่อนไขที่เอืนะ้ออาศัยความขยันขันแข็งพระอาจารย์สมพงศ์กับพระสงฆ์ที่นี่ได้ดูแลน้ําไฟให้เราเป็นอย่างนี้ทั้งที่ที่น้ําไฟนี่ทางอของสาธารณสุขของหมู่บ้านของ อ, อําเภอไม่ได้มืเ อ, อื้อเราเลยแต่เราเป็นเหตุปัจจัยที่เราจัดการขึ้นเอง การหาขึ้นไฟการหาน้ำมาเองเท่านั้นเลยโดยที่ทำการไม่ได้ช่วยเราเลยนี่เป็นสิ่งที่เอื้อมากๆเลยนะแต่ด้วยความพยายามอันหนักหน่วงของท่านจึงมีสิ่งนี้ขึ้นมาและก็การจัดการเสนาสนะต่างๆที่เราเห็นเนี่ยที่ทั้งๆที่มาอยู่ในป่าลึกๆขณะเนี้แต่เป็นเสนาสนะที่พอใช้ได้ด้วยอาศัยคนมีศรัทธาอย่างแม่อมพอรที่ทำครัวให้เราที่มาตั้งกัน พราป่าล่อป่าเข้าใส่ของเราข้างด้านหน้านี่นะเพราะฉะนั้นมีนยายยะว่าจะต้องมีการรับบริจาคเกิดขึ้นใครนายนยะบอกอ ง, งนั้นก็น่าเห็นใจนะการการที่ต้องทําอย่างนั้นตามประเพณีแล้วกุติแต่และหลังห้ล้างสาวหมื่นห้าหมื่นเจ็มื่นนี่ยก็เป็นเรื่องที่ายากแต่แม่อมพอรที่เราเห็นนะมีศรัทธาเป็นคนมีอันจะกินนะลูกเป็นหมอเป็นแพทย์เป็นครูบาอาจารย์บทแต่ตัวเองต้องมาฝังตุอยู่ในป่าดูแลพระสงฆ์ของ ข, องของา้าเจ้า เราติดตามมาดูแลธรรมามาตั้งแต่อยู่ที่แพร่แสงเทียนนั่นแหละพอมามาม า, มาที่นี่แกก็ตามมาดูแลที่นี่ซึ่งก็เราอาศัยคนมีศรัทธาอย่างนี้แหละก็เราได้ไดสัพเพยาอย่างนี้นะอะไรที่เ <c oughs> <c oughs> หลือที่ขาดอีส่สมมุติการทอดกรินปีหนึ่งได้จํานวนปัจจัยมามาซ่อมศาลานี้หนึ่ง0สนบาท แต่ว่าค่าใช้ใจ่ายมัต้องสองแสนบาทถ้างั้นโยมบ อ, อกให้ก่อนก็นแล้วกันเดี๋ยวเวลาได้ที่ไหนมามาใช้โยม ก, แก็แล้วกันเราก็ใช้บ้างไม่ใช้ว้างแก้ก็ไม่ว่าอะไรนะเพราะฉะนั้นก็จะมีเกิดสิ่งนี้ขึ้นเพราะว่าเราไม่มีการได้ลายไม่มีการตั้งตู้บริจาคเพราะฉะนั้นปัจจัยเงินทองที่ได้มาก็ไม่แน่นอนแล้วแต่จะมาแตน่นเมื่อขาดเหลือเราไม่สามารถจะบอกได้ว่ารายการที่3ามหมื่นรายการนั้ 5, นห 0,000 บอกไม่ได้เพราะไม่ใช่วิสัยของพระวิปัสสนา แล้วแต่เขาจะให้ให้มาก็ใช้จ่ายไปแต่ส่วนหนึ่งอาศัยคนที่มีศรัทธาอย่างโยมดังได้กล่าวมาแล้วเนี่ยเข้ามาโปกมาปะม า, ะมาใส่มาเติมในส่วนที่มันขาดเท่านั้นเองก็จึงมีสปะยะแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเองญาติโยมทั้งหลายการที่เราได้มาใช้สถานที่แห่งหนึ่งแต่มั น, ม, น, ม, นมีสปายะเอื้อมากๆเนี่ยไม่ใช่ของง่ายเลยในปัจจุบันอย่างความสงบสงัดเนี่ย เราไม่มีเสียงรถผ่านเข้ามาไม่มีเสียงชาวบ้านเข้ามารบกวนไม่มีเสียงเอะเวไวยจากาเด็กหนุ่มเด็กสาวที่เข า, อาชอบใช้สถานที่แบบนี้เข้ามาและปัญหาทางด้านกฎหมายทางด้านป่าไม้ก็ลงตัวนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จึงอยากจะให้รู้ว่าสัพยาธิที่เราได้มาที่นี่ไม่ใช่ได้มาง่ายๆเลย เราฟังตัวอย่างเมื่อวานที่พระท่านเล่าให้เราฟังตอนฉันเพลินเมื่อสัปเ ะ, ะไม่เอื้อปัญหาไป็นยังไงท่านต้องถูกไล่จากบนภูเขาทาั้งท่านที่ท่านไม่ได้ทำมาะไรเลยในแง่ของการเสียหายแต่ว่าในเมื่อทางโลกมาเห็นด้วยเนี่ยมันก็อยู่ยากที่ท่านได้ลอาให้ฟัง่ใช่ไหมว่าท่านต้องถูกไล่ถูกตามล่าจะอยู่ไม่ได้แต่เรามาอยู่จุดนี้ได้อย่างไรเนี่ยมันจะต้องมีพลังอะไรหลายอย่างมาช่วยเรานั่นคือพลังของกุศลจิตนะ แต่เมื่อใดที่นี่ถ้าเกิดพลังกุศลในจิตมันตกลงไปแล้วก็อยู่ยากเหมือนกันเดี๋ยวมีพลังอกุศลเข้ามาดังนั้นเมื่อเวลามีเกิดปัญหาอุปสรรคอะไรเกิดขึ้นอมมาจึงไม่ได้ไปโทษคนอื่นให้โทษว่ากําลังของกุศลในจิตของเราน้อยไปมันจึงมีสิ่งนั้นเข้ามาเป็นอุปสรรคอันนี้คืออมมามองอย่างนี้ดัง น, นั้นก็ทําให้เรามีกําลังใจให้ทำสิ่งที่เป็นกุศลให้มากขึ้นแต่ว่าให้พึงระวังนะสิ่งเราคิดว่าเป็นกุศลเนี่ยบางทีมัน มันไม่บริสุทธิ์นะมันไม่บริสุทธิ์ก็เอ๊ะเราก็แข่งใจเอ๊ะเราก็ทาสิ่งที่ดีๆทั้งนั้นนะทําไมสิ่งที่ดีที่เราหวังนะมันจึงไม่เกิดขึ้นเพราะมันยังไม่บริสุทธิ์นั่นเองนะแต่ถ้ามันบริสุทธิ์จริงแล้วมันจะมีกําลังอนะเราก็ไม่ต้องไปแสวงหาอะไรมากมันเกิดขึ้นเองซึ่งเราไม่หวังก็เกิดขึ้นเองเพราะในสิ่งนั้นบริสุทธิ์เอามานึกถึงน้ํามันเนี่ย น้ำมันที่เราข็สูงขึ้นมาใต้ดินน่ะเป็นน้ำมันดิบใช่ไหมมันจะมาใช้อะไรไม่ได้เลยต่อเพื่อมากลั่นมากลองเนี่ยเข้ากับแบ่งเป็นชั้นน้มันชั้นที่หนึ่งบริสุทธิ์มากๆต้องไปใช้เครื่องที่ใช้กําลังสูงอย่างเครื่องวินย่าเครื่อง อ, อ, ก า, อากาศยอวกาศที่ใช้กําลังสูงมากๆเป็นน้ํามันบริสุทธิ์มีกําลังสูงน้ํามันที่ต่ําลงมาตามเกรดราคาก็ต่ํำลงมาตามลบจนล่าสุดจนมาเป็นอย่างมะตอยก็ยังมีค่าในตัวของมัน หางน้ำมันนอกนั้นก็ตัดเป็นน้ามันเป็นเกจก็ตามราคาบริษัทเอ่อน้ํามันที่บริษัทผลิตออกมายอย่างสูงสุดก็คือน้ํามันที่บริสุทธิ์ชั้นใดก็ดีจิตของเราเนี่ยในบรรดาจิตที่ดีๆี ด, ด, ดทั้งหลายเนี่ยนะจิตที่สะอาดบริสุทธิ์สูงสุดน่ยมันจะมีสักเท่าไหร่และจิตที่ดีบ้างไม่ดีบ้างกุศลที่มันบริสุทธิ์บ้างไม่สุดบ้างมีมากเท่าไหร่ต้องให้รายละเอียดในสิ่งเหล่านี้นะ มิฉะนั้นแล้วเราก็เอ๊ะแล้วท่านก็ทําดีพูดดีทําดีทุกอย่างได้ทําไมคนจึงคนนั้นจึงไม่เคยชอบหน้าฉันอยู่ดีมันมีอะไรอยู่ที่แฝงอยู่ในใจของเราเนะี่ยที่ยังไม่บริสุทธิ์ร้อยปเซ็นต์มันถึงมีสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นดังนั้นเมื่อก่อนออกมาก็จะโทษข้างสิ่งข้างนอกอย่างที่โยมเคยโทษนั่นแหละแต่หลังจากศึกษาปฏิบัติลึกเข้าไปลึกไปอ๋อทุกอย่างมันไปจากเราทั้งนั้นเลยมันก็เลยมุ่งมาปรับที่ตัวเราเป็นหลักไม่ได้มุ่งที่ปรับคนอื่นเป็นหลัก ถ้าตัวเราดีบริสุทธิ์แล้วเนี่ยอย่า ว, ว่าแต่มนุษย์เลยที่จะมาดูแลช่วยเหลือเราเทวดาอินพุ่มก็เห็นใจเขามองเราอยู่เราเชื่อพลังอันนี้เทวดาอินพุ่มที่ว่านี้ก็ไม่ได้หมายถึงบุคคลวิเศษนอกมิติก็ได้แก่จิตคนที่มีจิตใจที่ดีเหมือนพระ อ, อินทร์พระพมนี่แหละเขาจะมองเห็นเราคือคนตัวเป็นๆ น, นี่แหละเอามาหมายถึงพระ อ, อินทร์พระพุ่มในความหมายของกัตมามันหมายถึงบุคคลในมิติพิเศษเอามาช่วยเรา แต่ในในตัวญาติโยมนั่นแหละความมีพระอินท์พระพรมเขาอยู่ตรงนั้นความเป็นเทวดาก็อยู่นั้นความเป็นเดรัจฉานสัตว์มนุษย์อยู่ในนั้นหมดเลยแล้วแต่ว่าคนผู้ถูกสะท้อนเนี่ยธรรมา น, นี่จะท้อนมุมไหนออกถ้ามาสะท้อนมุมของพรหมออกโยมก็ปฏิบัติตามาตกเป็นพรหมถ้ามาย้อนความเป็นเดรัจฉานออกโยมก็กระทบในจุดของความเป็นเดรัจฉานเขาโยมอะมันซื้อกัน เพราะฉะนั้นคนจึงมีอะไรที่ละเอียดซับซ้อนมากนะก็จึงไม่อยากจะให้ดูถูกตัวเองนะแล้วอย่าไปจุดเล็งเพ่งโทษคนอื่นว่าเป็นอย่างนี้นแต่ตั้เพ่งโทษตัวเองไว้ก่อนการที่เราคนอื่นทําต่อเราอย่างนีน้เพราะเรามีจุดนี้อยู่ในใจของเราแต่ถ้าเราไม่มีจุดเสียในใจคนอื่นจะไม่แสดงจุดเสียของเขาออกมามันสัมพันธ์กันแต่คนอื่นคนนั้นแสนดงจุด ด, ดีกับเรา เพราะเรามีจุดดีตรงนี้ในตัวเราค้นจนแสมจุดดีออกมาซึ่งเป็นเรื่องที่หลากหลายลึกซึ้งมากเลยธรรมาจึงไม่ได้มองใครในสายตาเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นลบแต่มองว่าโอ้เป็นสิ่งที่เราต้องต้องหาทางให้เขารู้นะว่าอะไรเป็นอะไรแต่ก็ยากแต่ก็ต้องทําเพราะมันสามารถทําได้ต้องใช้เวลาดังนั้นเองว่าธรรมาเพราะเหตุไรธรรมาถึงวขวนขวายในเรื่องเหล่านี้ก็เพราะเรื่องนี้ให้เอง ถ้าไม่มีเรื่องนี้อย่ามาเสียเวลาทําเลยมันไม่ได้อะไรเหนื่อยเปล่านะแต่เพราะเรื่องนี้มันไม่มีใครทําแล้วก็ไม่มีใครรู้ในรายละเอียดนี่มากนักหรอกเพราะฉะนั้นในจุดนี้ก็จึงบอกความจริงนะก็เวลาผ่านมาละสามสิบห้านาทีเพราะนั้นดำดับต่อแต่นี้ไปก็จ ะ, ะสรุปในส่วนภาคปฏิบัติเมื่อกี้ไมา ค, ความสรุปโครงสร้าง ทั้งหมดที่เรามาปฏิบัติเพื่ออะไรใช้เวลาสามสิบห้านาทีเข้าใจไหมในสิ่ง <Phantom>. ที <fuera> ่พูดนะที่เรามาปฏิบัติเพื่อสิ่งนี้เพื่อมาเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ใช่ไปเปลี่ยนแปลงคนอื่นถ้าเมื่อไหร่เราจะคิดที่จะเปลี่ยนแปลงคนอื่นเนี่ยเราจะแย่ขึ้นเรื่อยๆจำมาไว้เลยพบอาตมาเป็นมาก่อนมาใช้เวลาทั้งนานที่เสียเวลาไปเพราะพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงผู้อื่นในที่สุดและค่อสุดรือว่ายิ่งเปลี่ยนแปลงตัวเองยิ่งแย่ลง โอ้เป็นบทเรียนที่มหาศาลเลยแล้วกลับมาเปลี่ยนแปลงพอกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองมันสนุกดีเพราะมันทําได้แต่เปลี่ยนแปลงผู้อื่นมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ใช่ไหมแต่เปลี่ยนแปลงตัวเองนี่เปลี่ยนแปลงได้คุณนั่นมาทําให้เราดีใจมาทําให้เราเสียใจมาทําให้เราถูกใจมาทำให้เราผิดใจมันอยู่ที่ใจเราหมดเลยทีนี้เราจะปรับหรืบางจุดก็ปรับได้บางจุดก็ปรับไม่ได้ตรงนั้นน่ะเป็นสิ่งที่ท้าทายทําให้เราฝึกฝนตัวเองมากขึ้น ว่าเรายัางติดจุดนี้อยู่แสดงว่าการปฏิบัติเรายัางน้อยไปเล่งปฏิบัติอีกพอไปจุดยากกว่านี้ไปติดตรงนี้อีกเล่งปฏิบัติอีกเพราะนํามาถึงปฏิบัติตลอดเวลาที่เห็น أ, โยมปฏิบัตินี่อหยังน้อยไปนะคำว่าปฏิบัติตลอดเวลาคือให้รู้สึกตลอดเวลาว่ากำลังทําอยู่นั่นคือการปฏิบัติไม่เห็นเดินมาเดินโยกมือสร้างโยงหลวงพ่อไม่เห็นปฏิบัติอะไรไม่ใช่นะมาปฏิบัติมากกว่ายอมอีกนะแต่บางทีไม่ได้บอกเท่านั้นเองเนาะ เพราะนั้นปฏิบัติหนักนะขึ้นเขาลงห้วยวันหนึ่งวันนั้นที่ไปสำรวจที่กลับมาไี่ขึ้นเขาสามลูกข้ามานี้โอ้โหบอกหมดเลยนะแต่บอกให้โยมไม่ได้นะมันล่าจริงๆนะเพราะเดินทางลัดมานี่นะเพราะนั้นกว่าจะได้สัปยัดแต่ละแห่งเพื่อเพื่อฝึกฝนเราตรงนี้บางทีไมไ่ได้ง่ายได้มาง่ายๆเนะี่ยแต่มันสนุกนะ อ น, นันสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะบอกว่าในความเป็นไปเป็นมาของชีวิตเราเนี่ยมีความเป็นมาที่ยาวนานมากเพราะฉะนั้นอยากจะไปดูถูกชีวิตตัวเราเองเพราะเราคือตัวก็ เ, เรียกเป็นวิวัฒนาการจากบรรพบุรุษของเรานั่นเองเพราะบรรพบุรุษหวังเรานี่แหละจะมาแก้ไขเพราะเวลาปรารถนาว่าขอให้ การกระทำดีครั้งนี้ขอให้เป็นปัจจยให้เกิดมรรคผลนิพพานในอนาคตอาการข้างนาทุนเทินนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายจะพูดอย่างนี้เสมอที่นี้คำว่าอนาคตของท่านคืออะไรหมายความว่าท่านต้าไปตายแล้วไปเกิดข้างหน้าใช่ไหมไม่ใช่หมายถึงลูกหลานของท่านเราเป็น continuation คือตัวสืบต่อเป็นทายาทของท่านที่จะรับเจตนาลมที่ทั้งปัทนามาทำณวันนี้แต่ถ้าเรารับมาแล้ว มาไม่ทําเราก็ต้องได้รับวิบากกรรมก็คือเราจะต้องเจ็บต้องป่วยต้องทุกต้องตายตามวิบากกรรมของท่านที่ทอดเอามาแต่แเราสามารถอกุศลมาเปลี่ยนจุดเนี้เราก็ทําเจตนาของท่านได้สมบูรณ์เราก็มีความสุขนะเพราะนั้นอันนี้คือเป้าหมายที่เราทําเรื่องนี้คือเป้าหมายนี้เท่านั้นนะนะทีนี้วิธีทําก็บอกไม ห, หมดแล้วว่าทําอย่างไรพยายามมาพยายามที่จะไม่ให้ประเด็นมันเบลอในสามสี่วันนี่ในเรื่องเวทนาเป็นหลัก เลนเน้นในเรื่องของตัวสัมัชัญญะเป็นหลักเมื่อเรามีสติสมาธิปัญญาเห็นเวทนาในทุกระดับแล้วเนี่ยจิตไม่ต้องไปดูมันมันจะเห็นเองแต่ถ้าเราไม่ชำนิชำนาในการดูกายดูเวทนาให้ดีแล้วนี่นะถึงจะไปมองไปเฝ้าดูจิตก็ ม, ไมีไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง เพราะเหตุมาอยู่ตรงนี้พระพุทธเจ้าก็บอกเราว่าสิ่งทั้งหลายเกิดแต่เหตุใช่มจิตและอารมณ์นั้นเป็นผลมาจากเหตุคือกายกับเวทนาเราอยากจะให้ต้นไม้ต้นนี้มีผลดกหรือไม่ดกมีผลดีไม่ดีเราไปจัดการกับข้างบนมันไม่ได้แต่มาจัดการข้างล่า ง, งมันที่ต้นของมันจะให้น้ำให้ปุ๋ยกันมแมลงอะไรอยู่ที่ต้นของมันแล้วผลดอกหวมันแคออกมาตามนั้นฉันใดก็ดี กายกับเวทนาเหมือนกับต้นตอของจิตและอารมณ์ถ้าเราจะให้จิตและอารมณ์เป็นอย่างไรจัดการกับกายเวทนาให้ดีไอ้ตัวนั้นก็มันก็จะดีมันก็จะเป็นไปเองนะดังนั้นคำสรุปของโภะเทียนง่ายๆเราดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมเนี่ยมันถูกต้องเลยทีเดียวนะเราจะดูจิตของเราเราก็มาดูกายชัดนะในการนี้กระบอกเวทนาเข้าไปด้วยเมืเ่อใดข้อสรุปสั้นๆแบบนี้ปั๊บเนี่ยมันก็ง่ายขึ้น เราไปที่ไหนก็ดูแต่กายดูกับเวทนาของเรา ช, ชัดๆเท่านั้นเองเนะจิตแล้วจิตของเราเนี่ยมันเป็นอะไรก็ถ้ามันเป็นฝ่ายที่ถูกมันก็จะถูกไปแต่กายกับเวทนาถ้ามันเป็นฝ่ายที่ผิดอย่างเช่นแล้วนอนไม่หลับฟุ้งสัน้นก็มาดูกายเวทนาของเราหลายครั้งเมื่อก่อนเรามาเป็นคนหลับยากแต่ทุกวันนี้จะหลับตอนไหนก็ง่ายเพราะเราจับหลักมันได้นะเราจับหลักมันได้อ น, นี้แต่ละคนให้ไปหาคิดเอาเองก็แล้วกัน วิธีเคลลักส่วนตัวเราบอกกันไม่ได้นะต้องไปหาเอาเองดังนั้นก็อยากจะให้เวลาที่เรามาเสียเวลาที่นี่เจ็ดวันนะี่ให้มีคุณค่าสูงสุดคือนําบทเรียนที่นี่ทุกระยะเนี่ยไปฝึกฝนไปบริหารใช้อย่างโยมที่มาจากกรุงเทพเนี่ยมีเวลาไม่มากนักหรอกใช่ไหมเพราะว่าเราต้องทุ่มเทไปกับเงื่อนไขาทางสังคม เพืนขายต่างสังคมต่างคนรถจะต้องมีเงินเยอะๆถึงจะอยู่ได้นะถ้าหากว่าวันไหนขาดการขาดงานขาดเงินแล้วรู้สึกมันขาดไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเนะี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องขวนขวายต่อสู้เพื่อให้ได้งานได้เงินเพราะนั้นการดํารงชีวิตทำไมถึงยากขนาดนั้นนะทั้งๆที่ว่าเราได้กินข้าวเพียงมือ้อวันละสองส ม, มื้อแล้วก็ได้ใช้ของอย่างที่เราใช้นี่แหละแต่เราก็ทุ่มเทเวลาทั้งหมดไปกับการทํางาน ปีหนึ่งมีเวลาหยุดไม่กี่วันเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่คุ้มกันนะซึ่งโบราณเขาไม่ต้องเขาไม่้าเสียเวลาขนาดที้เขาก็มีอยู่มีกินมีทรัพย์มีสินอะไรมากมายกว่าคนปัจจุบันดังนั้นโลกมันเปลี่ยนไปนะดังนั้นเองก็อยากจะให้เริ่มนําเรื่องนี้ไปศึกษาให้ดีเพื่อที่เราจะได้กอบคู่จิตวิญญาณบรรพบุรุษของเราของเราที่เขาทําอะไรมาเป็นบาปเป็น อากุศลในอดีตเนี่เราจะได้ชําระชำะล้างจิตวิญญาณของเขาด้วยการชําระชำะล้างจิตวิญญาณของเราเพราะจิตวิญญาณของเขาทุกดวงอยู่ที่เราหมดเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่สามารถ ช, ชําระจิตวิญญาณของเราได้เขาก็จะอรารวาดกับเราทําให้เราเป็นทุกข์และเดือดร้อนได้ทุกเรื่องเรื่องไม่น่าเป็นปัญหาก็เป็นเรื่องไม่น้าป่วยก็ป่วยเรื่องไม่น่าทุกข์ก็ทุกข์เรื่องไม่ไน่า เ, เกิดอุบัติเหตุก็เกิดถ้าเขาได้อรารวาดขึ้นมาเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องทํำคือเราต้องทําดีที่สุดให้กับตัวเอง แล้วมันจะมีผลที่จะไปเปลี่ยนแปลงไปโปรดจิตวิญญาณของเขาด้วยที่แฝงฝังในใจของเรานี่เองนะก็ขออนุโมทนานะสาธุในความตั้งใจของพวกเราทั้งหลายในการที่จะนำเอาสิ่งนี้ไปพินิจพิจารณาแก้ไขตนเองแล้วก็การที่จะมีการกระทำอะไรข้างต่อไปก็ต้องขออนุโมทนาคุณหมอพรทิพย์ ที่ได้เสียสละเวลาได้ใช้ชีวิตบันปลายของท่านออกมาทํากิจกรรมอันยิ่งใหญ่อย่างนี้ซึ่งต่างกับหมอหลายร้อยหลา ย, ลายพันคนที่เมื่อกเกษียณแล้วต้องหมุ่แสวงหาความสุขส่วนตัวทรัพย์สินส่วนตัวดูแลลูกหลานดูแลครอบครัวแต่คุณหมอใช้เวลาในส่วนนี้มาพัฒนาพุทธศาสนาพัฒนาสังคมพัฒนาจิตใจเพื่อนมนุษย์เราก็โชคดีที่ได้คุณหมออย่างนี้เข้ามาช่วยกันแล้วก็หวังว่าท่านจะมีกําลังใจในการจัดกิจกรรมอ น, นี้ต่อไป เรื่อยๆจนกว่าที่บุญุลรมีจะจะส่งเสริมไปก็ขอให้ความตั้งใจในการมาฝึกฝนมาปฏิบัติครั้งนี้จงเป็นผลให้เราได้พบเส้นทางที่จะนำไปสูม่มรรคผลนิพพานด้วยการทุกคนทุกท่านถือ